นี่คงมาตั้งคำถามทบทวนในครั้งหนึ่งว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเลือกเสด็จมาปรินิพานที่เมืองกุสินาราซึ่งท่านพระนนทท่านบอกว่าเป็นกิ่งเล็กเมืองน้อยเป็นกิ่งเมืองอ่ะนะถ้าเป็นสมัยหมาก็เป็นจังหวัดเล็กจังหวัดน้อยคำว่าเมืองโบราณนี่หมายถึงจังหวัดน่นะหรือรัฐเล็กรัฐน้อยหรือแคว น, นิดหน่อยนะแควนมาละเนี่ยแควนเล็กนิดเดียว โดยเฉพาะที่เมืองกุสินาราเนี่ถือว่าเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยมากน่าจะไปปรินิพานที่เมืองราชครกก็ได้ซึ่งเมืองใหญ่เมืองโตเมืองสาวัตถีเมืองภัยาลีหรือเมืองอื่นๆก็ได้โกสัมพีเป็นต้นนะนะที่ไม่ใช่กุสินารากุสินาราแม้ทั้งเป็นเมืองเล็กหมายว่าเหมือนกับว่าไม่สมพระเกียรติสักเท่าไหร่เนี่ยนะอันนี้เป็นในความเข้าใจของท่านพระอานนท์พระผู้มีพระภาคก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเนี่ยนะ ที่พระองค์เลือกปรินิพานที่เมืองกุสินาราเหตุผลอันดับที่หนึ่งก็คือพระองค์ก็จะประกาศมหาสุทัศนสูตรเป็นพระสูตรที่พระองค์เคยเสวยจั ก, กรพรรดิสมบัติที่เมืองกุสาวดีเนี่ยนะเมืองกุสาวดีราชธานีซึ่งเป็นเมืองในอดีตของเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเนี่ยปกครอง เพียรพร้อมด้วยรัตนเจประการนะเป็นพระราชาที่ร่รนะํารวยที่สุดนะเท่าที่ฟังฟังมาในพระไตรปิฎกนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะนี้นับว่าเป็นพระราชาที่ร่ํารวยที่สุดเพราะว่าสร้างปราสาทราชวังทั้งหมดด้วยทองคำเนี่ยนะด้วยทองคําด้วยรัตนเจ ป, ประการด้วยเงินด้วยทองแล้วก็บ้านเมืองนี่ถือว่าใหญ่โตมากนะเนี่ยนะเมืองเนี่ยมีกําแพงเมืองเนี่ยกว้างยาวเป็นร้อยกิโลเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่จริงๆ แม้แต่สมัยนี้ก็ตามถ้าหากว่าเมืองไหนที่ใหญ่ขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากและก็ร่ำรวยมหาศาลแต่ก็ถือว่าเป็นเมืองในอดีตเนี่ยนะที่พระองค์แสดงมหาสุทัศนสูตรนั้นเพื่อที่จะให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับรู้กรรมรับรู้ผลของกรรมรับรู้บุญรับรู้ผลแห่งบุญว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดที่พระองค์ได้ที่พระองค์เคยเสวย สมบัติเหล่านั้นทั้งหมดก็ด้วยผลแห่งบุญบุญที่พระองค์ได้เคยกระทําไว้แล้วด้วยทานธรรมะสัญญมะก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละความที่พระองค์บาเพ็ญทานศีลภาวนาพระองค์ก็ได้รับได้เสวยบริโภคสมบัติเหล่านั้นซึ่งผู้ที่มีบุญทั้งหลายจะเพ่งได้เสวยได้รับเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ประกาศถึงความจริงว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงแท้ถึงจะเสวยสมบัติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ตาม สังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนแบบนี้แม้แต่ชื่อเมืองยังเปลี่ยนไปจากกุสาวดีราชธานีกลายเป็นกุศินารานั้นก็ทุกอย่างก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปหมดสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงหนอะเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อนหน่ายควรที่จะคลายกำหนัดในสังขารมันผู้ที่สแสวงหารวบรวมสังขารทั้งหมดอย่างยิ่งก็ไม่มีใครเกินพระเจ้าสุทัศนะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นสมบัติเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นของที่ชั่วคราวเป็นของที่มีอยู่เหมือนกับอย่างว่าเมื่อคืนเนะี่ยเมื่อคืนใครจะฝันดีมาขนาดไหนก็ช่างเถอะตื่นเช้ามาความฝันก็ไม่เหลือแล้วฉันใดสังขารทั้งหลายที่เคยประณีตวิจิตและบรรจงในอดีตบัดนี้สังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เหลือแล้วนี้ผลของบุญนะถ้าพูดเพผลของบุญมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เอาความจีรังยั่งยืนไม่ได้ ความสุขซึ่งเป็นผลของบุญก็ไม่เที่ยงทีนี้แล้วความทุกข์ที่เป็นผลของบาปเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเออผลบาปก็ไม่เที่ยงแต่ปัญหาว่าบาปมันไม่มีจบมีสิ้นสิมันให้ผลแล้วแล้วเล่าเล่าผลแล้วแล้วเล่าเล่าคือทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงแต่ความไม่เที่ยงแห่งบุญกับบาปต่างกันบุญก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงมันผลแห่งบุญแห่งบาปก็ไม่เที่ยงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผลแห่งบาปก็มีแต่ ความทุกข์เจ็บปวดเผ็ดร้อนแต่ผลแห่งบุญให้ผลเป็นความสุขและสบายแต่ทั้งคู่ทั้งบุญทั้งบาปทั้งผลแห่งบุญแห่งบาปสิ่งทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสังขารธรรมล้วนแต่เป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราได้ความรู้อะไรบ้างจากสังขารที่ไม่เที่ยงเหล่านั้น การรู้สังขารไม่เที่ยงอันใดอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิการรู้ว่าสังขารเป็นทุกข์เหล่าใดความรู้อันนั้นเป็นสัมมาทิฐิความรู้ว่าสังขารเป็นอนัตตาเหล่าใดความรู้เหล่านั้นเป็นสัมมาทิฐิตัวความรู้เป็นอริยมรรคตัวสัมมาทิฐิเป็นมรรคตัวสัมมาทิฐิเป็นข้อปฏิบัติพันเราเนี่ยอ่สาระของการปฏิบัติอยู่ที่การเจริญสัมมาทิฐิ เมื่อสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เที่ยงวิปริณะแปรปรนไปเป็นธรรมดาเนี่ยเราเจริญมรรคได้ไหมสังขารทั้งหลายในอดีตพระพุทธเจ้าองค์ใดเกิดก็ตามในอดีตจะกี่อสงไขในอดีตที่ผ่านมาก็ตามสังขารเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงอนาคตที่จะมีสังขารเหล่าใดต่อไปในอนาคตจะอีกกี่ล้านกับกี่อสงไขกับก็ช่างเถอะสังขารเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยง แต่ผู้มีบุญทั้งหลายผู้สั่งสมบุญทั้งหลายอย่างเช่นพระโพธิสัตว์ผู้ที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในท่ามกลางสังขารที่ไม่เที่ยงสังขารที่เป็นไปกับชาติชราและมรณะนี่แหละแต่ท่านก็เลือกเฟ้นเห็นว่าทานเป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้สาเร็จเป็น พระพุทธเจ้าสังขารจะไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไปเถอะแต่ท่านจะสะสมบุญท่านจะสั่งสมบุญจะสร้างอุปนิสัยแห่งบุญเพราะบุญทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นที่พึ่งในปัจจุบันและสัำปรายภพบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองในเป็นที่พึ่งแก่ตัว เ, เองได้ด้วยเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ด้วยเพราะนั้นผู้ที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะเชื่อไหมคนปกติอาศัยคนผู้มี มีบุญเหมือนสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็อาศัยต้นไม้ใหญ่ฉันใดพูดคนธรรมดาทั่วไปคนพี่มีบุญน้อยก็อาศัยคนที่มีบุญมากแต่คนที่มีบุญมากก็หายากเพราะอะไรเพราะใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมากไม่น้อมไปเพื่อทำบุญเมื่อไม่น้อมไปที่ทำบุญโอกาสที่จะสร้างบุญเท่าที่ควรจะเป็นก็น้อยลงไปพันผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง เห็นความไม่จีรังยั่งยืนเห็นความแปรปลวนไปแห่งสังขารธรรมทั้งหลายแต่ท่านเหล่านั้นกลับไม่ประมาทแม้กระทั่งว่าบุคคลที่รู้เห็นเข้าใจแล้วว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระองค์ก็ยังดับขันทปริณิพานในโลกเขาเหล่านั้นไม่ประมาทเลยตรงกันข้ามกลับให้ทานยิ่งกว่าเดิมยิ่งเห็นความที่สังขารไม่เที่ยงเท่าใดเห็นความแปรปรวนเท่าใดก็ยิ่งเห็นว่า บุญ น, นั้นจําเป็นที่จะต้องเจริญขึ้นให้มากเท่านั้น น, น ะ, ะนั้นไม่ใช่คําว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วเออก็เมื่อมันไม่เที่ยงไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเพราะการรู้ว่าไม่เที่ยงเพื่อเร่งจะเจริญบุญเมื่อรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายเป็นจะได้เร่งเจริญบุญไม่ใช่เออตายแล้วเออมันก็ตายเอาก็ตายสิใครจะไปชุบให้ฟื้นนะเอาก็ตายเอาก็ตายก็ทำไงทํางานศพมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ด้หยุดอยู่เท่านั้นแต่หมายคำว่าเหตุการณ์เหล่าใดที่เกิด เป็นผลผลิตจากชาติชราและมรณะคือวัาตตาะเหล่านี้เนี่ยนะผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาเจริญบุญได้จากสังขารนี่ไม่เที่ยงเหมือนอย่างให้กล่าวว่าข้าวเนี่ยนะข้าวที่หงสุกแล้วเนี่ยยังไงมันก็บุญแต่คนงโง่เขลาทั้งหลายเนี่ยตะหนีทีเหนียวแล้วก็ดีไม่ดีบริโภคเองหรือบางทีห่วงไว้ไม่ได้บริโภคในที่สุดมันก็บุญตามเดิมเพราะอะไรเพราะมันเป็นข้าวสุกไปแล้วฉันใดสังขารทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ไม่เที่ยง พูดถึงอีกครั้งหนึ่งบอกว่าแต่คนฉลาดทั้งหลายเนี่ยอาศัยข้าวก่อนที่จะบูดเขาได้ทําบุญสังขารทั้งหลายอย่างไรสังขารก็ไม่เที่ยงสังขารก็มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ก่อนที่สังขารแต่ละสังขารจะแตกทําลายไปได้ทําบุญไว้อย่างมหาศาลนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอดีตของพระองค์คือผู้ที่สั่งสมบุญคือผู้ที่บําเพ็ญบุญบําเพ็ญบุญไว้อย่างมากมายมหาศาลมันสังขารแต่ละภพแต่ละชาติ ที่เป็นไปกับชราและมรณะพระองค์ได้บุญติดตามตัวมาตลอดมางั้นะสร้างสมบุญมาเรื่อยๆบุญเหล่านั้นก็หลังผลเป็นผลิตผละนะเรียกว่าเป็นเหตุที่สามารถให้ผลิตผลผลิตผลทั้งหมดที่มาจากบุญก็คืออะไรก็สมบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เราเห็นแล้ว ทั้งสรีระสมบัติทั้งโลกิยะสมบัติทั้งโลกุตระสมบัติเนี่ยนะอันนั้นเป็นผลผลิตที่เกิดจากการสั่งสมบุญของพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่ไม่มัวเมาในผลแห่งบุญเลยตรงกันข้ามพระองค์อาศัยผลบุญที่มีอยู่เกื้อกูลพระองค์เองให้พ้นจากทุกเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากวัตทุกขพันธ์สรีระของพระองค์ร่างกายของพระองค์ชีวิตจิตใจทั้งมวลของพระพุทธเจ้าจึงบำเพ็ญแต่ ประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตราบชั่วอายุชีวิตโดยที่สุดแม้แต่พระธาตุของพระองค์พระธาตุของพระองค์แม้เพียงเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาไปกราบไหว้สักการะบูชา น, นั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อสวรรค์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่แล้วต่หากว่าบุคคลเหล่านั้นเลยใส่ใจไปอีกว่า บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าควรแล้วที่เราจะใส่ใจในคำสอนควรแล้วที่จะภาคเพียรเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนถ้าเป็นเช่นนั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ใน อนาคตต่อๆไปพันการไหว้พระธาตุทั้งหลายก็จะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัทยาศัยให้เขาเหล่านั้นบรรลุมรรคผลตรัสรู้อริยสัจ ต, ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตทั้งหลายเนี่ยนะพันพระองค์นั้นจึงเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อกูลแก่ ชาวโลกพั้นการแสดงธรรมทั้งหมดการที่พระองค์ยกตัวอย่างเรื่องราวของพระองค์เองในอดีตหรือเรื่องราวของบุคคลทั้งหลายในอดีตมาก็ตามเพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ประมาทในการเจริญกุศลนี่นะไม่ประมาทในการเจริญกุศลทีนี้ถามว่าถ้าใจเราไม่เป็นกุศลนัล่นเป็นอะไรก็เป็นอกุศลอันนี้ปกติของเราอยู่แล้วล่ะแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ฉลาดมากเป็นผู้ที่มีปัญญามาก มากโดยอาศัยสังขารที่ปกติของสังขาร น, นี่แหละความเป็นธรรมดาของสังขา น, นี่แหละแล้วบอกความจริงให้สัตว์ทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่ให้รู้แบบแล้วตื่นตระหนกตกใจกันนะไม่ใช่แต่ให้สัตว์ทั้งหลายได้เจริญกุศลที่มีเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเนี่ยนะที่เป็นแกนสารแก่ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตต่อต่อไปและยังเป็นบุญวาสนาใหถึงฝั่งคือถึงที่สุดแห่งชาราและมรณะถึงที่สุดแห่งชาติวัตตะและ สงสารทั้งหลายเนี่ยนะนะิย้อนกลับมาว่าเหตุผลอันดับที่หนึ่งที่พระองค์ปรินิพานที่เมืองกุสินาราเพราะพระองค์จะได้มาแสดงมหาสุทัศนสูตรประกาศให้รู้กรรมรู้ผลของกรรมสัตว์ทั้งหลายไ ด, ได้อาศัยเยี่ยงอย่างของพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วก็จะเจริญบุญหรือผู้มีบุญทั้งหลายอาศัยตัวอย่างของพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วก็จะไม่อาลัยในผลของบุญ ข้ออะไรสำหรับผู้ที่ติดข้องในผลของบุญถ้าถามว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นมหากษัตริย์ผู้ร่ํารวยยิ่งใหญ่มากถ้าพราะองค์มีใจเกาะเกี่ยวในปราสาทราชวังทรัพย์สินเป็นต้นทั้งหมดย่อมว่าพราะองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตไหมก็เป็นอะไรก็เป็นแบบญาติของพร ะ, พระเทเรร์รูปหนึ่งพระเถระรูปหนึ่งในอดีตชาติเนี่ยท่านเป็นพระราชาที่เป็นคนที่ทําบุญ น, นะนะในที่สุดท่านก็บุญอ น, นั้นก็ทําให้เกิดสร้างปราสาทขึ้นมา เป็นปราศาสที่ใหญ่โตมากเลยนะมีผู้ที่ได้เสวยปราสาสเป็นพระราชาตอนหลังก็เกิดแล้วก็ตายจากปราสาสนั้นะแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไปแต่พวกญาติทั้งหลายที่พันนอยู่ในปราสาสตายแล้วก็เกิดเป็นปลาเป็นเต่าเป็นอะไรเฝ้าปราสาสเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะเพราะอะไร พระก็ติดข้องในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นแต่ตรงกันข้ามเจ้าของเนี่ยดับขันไปนิ่นิพผานบรรลุมรรคผลกันไปหมดแล้วแต่เครือญาติที่หลังที่เกิดมามีใจกเกาะเกี่ยวก็เลยเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นเต่าอยู่ตอนนั้นซึ่งพผ้าหัน ร, รูปนั้นท่านก็ยกปราสาสตรขึ้นมาเนี่ยพวกปลาพวกเต่าตกลงมาพระองค์ก็บอกว่าอย่าทําให้ญาติเธอลําบากเลยเนี่ยนะงั้นพระองค์พระเจ้าสุทัศนะก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ที่มีใจติดข้องแล้วทํากาละลงไปการทํากาละของบุคคลนั้นอ่ะ เป็นทุกข์เนี่ยนะอันนี้ก็ตักเตือนคนที่มีทําบุญมาเยอะอนะว่าอย่าไปอาลัยกับผลของบุญนักใส่ใจถึงตัวบุญเป็นหลักอย่าไปใส่ใจถึงผลแห่งบุญเพราะผลแห่งบุญมันเป็นผลไปแล้วสุกงอมแล้วก็หมดกําลังหมดแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงถ้าไปติดในผลของบุญอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายควรที่จะได้บุญใหม่ๆกลายเป็นว่ามาอาลัยติดข้องเพราะชาวนาผู้ฉลาดเขาไม่หนักใจกับเรื่องข้าวสุกที่มันหงสุกแล้ว แต่เขาสนใจเมล็ดพันธุ์ที่จะเพาะปลูกมากกว่าเพราะอะไรเพราะการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นที่มาแห่งข้าวสุกพันเขาจะไม่หนักใจใส่ใจกับข้าวสุกจนเกินไปเพราะข้าวสุกชื่อว่าเป็นผลิตผลแค่ใช้รับประทานเลี้ยงตนให้เป็นสุกเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขเขาก็พอใจแล้วส่วนที่เหลือไปสนใจว่าจะเพาะปลูกสิ่งใหม่ๆต่อไปได้อย่างไรเนี่ยนะ